สมัยนั้นพวกภิกษุนจับพักขีใช้กล้องสูตรควันชนิดต่างๆทำด้วยทองคำทำด้วยเงินคนทั้งหลายจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าเหมือนครหัดผู้บริโภคกรรมภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้กล้องสูตรควันชนิดต่างๆรูปใดใช้ต้องอาบัตทุกกฏภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตกล้องสูตรควรันทำด้วยกระดูกทำด้วยงาทำด้วยเขาทำด้วยไม้อ้อทำด้วยไม้ไผ่ทำด้วยไม้ทำด้วยยางไม้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 ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเชือกผูกสายสะพาย